พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่ารักษาศีลดีก็ไม่มีความกังวลวันนี้เป็นวันที่14 เมษายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันลงโบสดแต่เมื่อวานเป็นวันสงกรานต์แต่ก็วันนี้เป็นวันพี่น้องประชาชนสัทยาญาติโยมมาทำบุญตอนเช้าเนื่องจากวันสงกรานต์วันเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับพวกเราวันนี้เป็นวันอุโบสถที่สวดจบลรงสักครู่นี้การสวดพระปฏิโมกข์คือวินัยของสงฆ์วินัยของพระต้องมีการทบทวนทำความเข้าใจทุกส5้าวัน สุก15วันก็นมีการสวดหรือว่าการประกาศหรือว่าการแนะทบทวนในสินและวินัยของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้ฟังจบลงแต่ถึงอย่างไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่บวชเข้ามาแล้วควรจะใส่ใจในสินและวินยัยอย่าปล่อยปะละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าควรจะทบทวนอยู่เรื่อยนะควรจะศึกษาควรจะอ่านให้เข้าใจแต่สําหรับพระใหม่ที่มีอายุพรรษาน้อยหนุ่มอยู่ควรจะควรจะท่องปฏิโมกให้ได้นะหลวงพ่อเองบอกว่าถ้าเราท่องปฏิโมกไปได้แต่สมัยเป็นพระน้อยหนุ่มยากนะเมื่ออายุสูงอายุขึ้นมาแล้วจะท่องปฏิโมกจะท่องได้ยาก พอเราเหล่อแหละไม่ตั้งใจแต่ถ้าว่าพวกเราใส่ใจแต่สมัยเป็นพระน้อยหนุ่มกำลังสติกำลังหรือว่าหัวกำลังจำดีความจำกำลังใช้ได้เราพวกเราก็ควรจะท่องปฏิโมกนะเมื่อท่องปฏิโมกได้แล้วนะเราจะภาคภูมิใจในระดับหนึ่งในการที่พวกเราได้ได้พระปฏิโมก แล้วก็ยิ่งขึ้นได้สวดในถ้ำกลางสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งเป็นความภาคภูมิใจในเอกในระดับหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกพาลูกหลานทั้งหลายอย่ามองข้ามในจุดนี้พยายามท่องไม่เหลือวิสัยหรอกท่านยังท่องได้แต่เราทำไมจึงท่องไม่ได้พเพราะเหตุใย เราอ่อนแอเกินไปหรือไม่หรือเราขาดการใส่ใจหรือไม่ซึ่งเหล่านี้ก็ให้ดูตนเองไม่เหลือวิสัยสรุปแล้วถ้าเรามีความใส่ใจตั้งใจสนใจเป็นเสียแต่เราไม่ใส่ใจก็อย่างบ่าอะไรก็ยากไปหมดน่ะอันนี้ก็คือศีลและวินัยแล้วก็ส่วนพระวินัยอย่างอื่นก็ให้พวกเราศึกษา ก่อนที่จะฉันอะไรให้เร า, เราอ่านซะก่อนนะอ่านอ่านที่ข้อเขาเขียนไว้ว่าอันนี้นะ่ะปาณนะตัวนี้นะ่ะผสมอะไรเราต้องอ่านให้เข้าใจจากทัานก็ถามครูบาท่านผู้รู้นะไม่ใช่ว่าเขาเอาโยมเอามาถวายอะไรกับฉันไปหมดไม่ใช่นะเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนอย่างซอกรรตอย่างนี้เหมือนกัน ถ้ามีสกอรัตมีต็กโกโก้กับน้ำตาลเราก็ฉันได้นะถ้าใส่นมเข้าไปมีเมน่นหรือว่าทัวอย่างนี้มันมีหลายหลายอย่างเราก็ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเราจึงค่อยฉันถ้าเราไม่ได้อ่านปุ๊บปรับมาก็เห็นประเคนมากกับฉันไปเรื่อยมันก็ผิดวินัยนะเป็นอบัติ์การอยู่การฉันท่านก็ปรับอบัตปิปลาจิตตี ภิกษุกลืนกินอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปต้องปาจิตตีตั้งแต่เที่ยงแล้วไ ป, ปตตเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะพระใหม่ทั้งหลายให้ใส่ใจในวิไนถ้าเราไปฉันหรือว่าไปขโมยฉันหรือไปใดตัดปัผ่าไปแล้วกันนะตำหนิตนเองได้ไม่ภาคภูมิใจเลยเที่บวชเข้ามาแล้วทำความ เสียหายในวงการพระพุทธศาสนาออกไปแล้วก็จะพูดตำหนิคนอื่นเขาเขาไม่พูดตำหนิไม่เต็มปากเต็มคำเพราะสมัยเมื่อตัวเองบวชก็ชละเลวพอสมควรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยศีลและวินยัยเราถือแข่งครัดแล้ว เมื่อเราภาวนาใจของเราได้รับความสงบไม่มีตกไม่กังวลไม่เค็ดพวักาวนในสินและวินยัยเพราะเรารักษาดีแล้วที่สิ่งที่ไหนที่มันเ ร, เรารู้ว่ามันเพชษเราก็งดไม่ทำสิ่งไหนที่มันคิดว่ามันถูกต้องแล้วยังค่อยทำ แล้วก็ในภาคปฏิบัติเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาพอพวกเราท่านทั้งหลายเขามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้บวชมาณนะสถานที่แห่งนี้เราไมา่ได้มุ่งหวังการเรียนหวังอย่างอื่นมหาป ร, รียนนักธรรมตรีโทเอกเราก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนแต่เราศึกษาให้เข้าใจ ให้ศึกษาให้เข้าใจในหลักพระธรรมวินยัยหนังสือเล่มไหนที่ควรจะศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะให้เน้นในภาคปฏิบัติที่มากกว่าเรื่องจิตภาวนาเอาทางละด้านจิตใจแต่สิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้มองข้ามเราก็เรียนรู้แต่ไม่ใช่ว่าเอาจนแตกสารแตกฉานในหลักพระธรรมวินยัยให้ล้หมดเออ ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราเน้นเรื่องจิตภาวนามากกว่าเรื่องภาวนากัอย่างที่เราได้ฟังได้ศึกษาให้เรายึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลักนะ เ, เราจะไปอ่านตำราขึ้นมาแล้วก็ไปลิทมลิคิดเองโพนสูตรขณะโพนสูตรกับนะ ออกนอกลู่นอกทางเกิดวิปัสสนูอุปกิเลสขึ้นมาได้ไง่ายง่ถ้าเราผิดทางไปนะถล้ำออกไปแล้วกลับคืนยากนะเรื่องจิตภาวนาเพราะนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนเรื่องจิตภาวนาเบื้องต้นเราทำยังไงท่านก็ให้บริกรรมพุทโธ ให้มีสติสัมปะชัญญะในตัวเองหรือกำหนดการก้าวเดินให้มีสติอยู่กับตนเองไม่ให้เผล อ, อ, อไม่ให้เผลอไปไหนหรือจะบริกรรมกรรมฐานไหนก็ได้แต่ดูให้มีสติอยู่กับตนเองเออจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วก็พิจารณาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติ ป, ปฏิบัติมันก็จะไปตามแนวแถว ที่เราได้ฟังได้ศึกษาแต่ทิ้งยังไงการภราวนาเนี่ยอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งตั้งใจตั้งใจจริงคือมีอธิษฐานในาจิตใจว่าข้าพเจ้าจะนั่งเท่าไหร่กี่ชั่วโมงจะเดินกี่ชั่วโมงแต่อย่างวันนี้ละวันออกพรรษาวันพระ สิบห้าคำเดือน5้าอย่างนี้แหละเป็นวันพระใหญ่อย่างนี้วันนี้เราจะเอาเนชชิจะไม่นอนตลอดทั้งคืนเราจะเดินยืนก็เดินนั่งหรือเราจะเดินกันนั่งเป็นส่วนมากอย่างนี้คือให้มีให้มีสัจจะแล้วตาเรากเก็บคำพูดอีกเราจะไม่พูดกับใครในคืนนี้เราจะภาวนา จะดูใจอย่างเดียวในคืนนี้เราควรจะทำเป็นคืนๆวันๆเอาให้จริงจังถ้าพวกเราทาอย่างที่ผมว่าเนี่ยพวกเราก็คงจะเห็นผลแห่งความสงบจิตใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้ทำให้จริงจังทำเป็นวันๆเดือนๆปีๆไปละละแหล ะ, ล ะ, ละไปเรื่อย แล้วก็มาทวงผลข้าพเจ้าปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนทำไมใจของข้าพเจ้าจึงไม่สงบไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเท่าที่ควรสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือเราไม่จริงจังและจริงใจถ้าเราจริงจังและจริงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วท่านเชื่อมั่นเหลือเกินว่า พวกเราท่านท่านทั้งหลายจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นฉุกเป็นอย่างน้อยอย่างนั้นจิตใจก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสมาธิจนถึงขั้นเดินวิปัสสนาจากทัานคนนู่นจนถึงขั้นหลุดพ้นไปได้เพราะเหตุหลายเพราะมีความจริงจังและจริงใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระ ลุกพาล้า น, น้องนุ่ทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติให้มีหนักมีเบาสรุปแล้วอย่าให้เบาอย่างเดียวแต่ถ้าหนักอย่างเดียวได้ก็ดีแต่ก็มันคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาหนักๆบางครั้งก็บาเป็นบางครั้งแต่ก็พยายามไม่ต่อเนื่องอยาปล่อยป่าละเลยทวงไหนที่ไม่ได้ทำก็พยายามทาให้สืบสายต่อเนื่องไป ไม่ใช่ว่าทำทำภาวนาเอาเจนเอาเป็นเอาตายพอหยุดแล้วก็หยุดปล่อยปาละเลยหาคุยกันเออละเหยร่อลอยลงไปเลยพอจะเอาอีกอย่างนั้นแปลว่าไม่ได้ให้แค่ว่าไม่สืบเนื่องแต่ทางที่ได้รับผลจริงๆคือเวลาเอาจริงจังก็จริงจังแล้วก็เมื่อไปจริงจังก็พยายามทำให้ ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆพอนั้นได้จังว่าเอาเอาเข้าจริงจังดูเองจากนั้นเกาดูถอยออกมาก็ทําให้สืบเนื่องมีสติสังเกตสังกาทําไมเราคราวที่แล้วมันทําไมมันเป็นอะไรเป็นเรื่องยังไงอันนี้ให้เราสังเกตตัวเองอยู่สม่ําเสมอจากนั้นอีกสักวันหนึ่งความสงบร่อมเย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายนะขอ ใ, ให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งใจภาวนาสรุปแล้วนะตอนนี้ไปสุดท้ายพระปฏิโมก